พระธรรมเทศนาของพระสุธิธรรมรังสีคำพีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรวัดอโศการามสี่ตุลาคม2503หอสาเรื่อง อย่าประมาทความดีการที่พวกเรา ได้มา ส, สร้างความดีกันได้เช่นนี้ก็อย่าลืมมันอาจที่จะให้ผลแก่เราได้อย่าประมาทว่าผลเล็กน้อยที่เราทํามานี้จะไม่ได้ผลอะไรมากมายอย่าประมาทอย่างพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสอนไว้ในครั้งพุทธกาลพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมบางคนเวลาบวชมาศึกษาปฏิบัติก็ตัดกิเลสของตนไม่ขาด พ่อทำกิเลส ข, ของตนให้เบาบางเล็กน้อยลงไปบ้างเท่านั้นใจก็ท้อถอยไม่สามารถทรงเพศบันพชิตอยู่ในศาสนาได้ก็ศึกเมื่อศึกไปก็ไปประกอบกิจการงานต่างๆที่เกี่ยวถึงอาชีพเมื่อประกอบกิจการต่างๆบางคราวก็สุดจริตบางคราวก็ทุจริต เมื่อได้ทำความชั่วทุจริตเกิดขึ้นก็ได้รับทานโทษทางบ้านเมืองเมื่อได้รับโทษก็ถูกจับถูกกลุมถูกคุมขังตัวอย่างเช่นลูกศิษย์ภาษารีบุตรมาบวชบาเพ็ญกุลงามความดีก็ไม่ได้อย่างนึกเลยฝึกไปเมื่อฝึกไปก็ไปประพฤติตัวเป็นโจร เมื่อประพฤติตัวเป็นโจรเป็นขโมยก็ถูกจับกลุมลงโทษถึงประหารชีวิตก่อนที่จะประหารชีวิตนั้นเขาก็เอาโจรคนนั้นไปทรมานอยู่เจ็ดวันวันหนึ่งนั้นได้ทรมานร่างกายให้ประชาชนได้เห็นมาชมเพื่อเป็นเครื่องปราบคนร้ายสั่งอมามัดให้ทำเหลาไม้รว่วงเหลาเหล็กทำปลายอย่างแหลมคมกล้า แล้วเขาก็ปากไว้เป็นแถวเป็นแนวเสร็ดแล้วจึงจับโจมนั้นขึ้นไปนอนขึ้นไปนั่งให้เหล่านั้นเสียบแทงอวัยวะร่างกายให้เลือดไหลาอาบตัวอยู่ได้รับความทุกข์อย่างสาหาัสวันหนึ่งทําตอนเช้าแล้วก็ทําตอนเที่ยงทําตอนเย็นเปล่าร้องประชาชนพลเมืองมาดูตัวอย่างผู้ประพฤติตนไม่ดี ต้องถูกทรมานตนอย่างนี้โจนคนนี้แกก็ได้ถูกทรมานตัวอย่างเข้มงวดแข็งแรงและถูกทรมานอยู่อย่างนี้จนกว่าจะถึงเจดวันเมื่อทรมานครบเจ็ดวันแล้วก็จับตัวไปประหารชีวิตคือตัดศรีรษะให้ตายอยู่มาวันหนึ่งด้วยอํานาจวาสนาซึ่งเคยได้ไปศึกษาอบรมอยู่กับพระสารีบุตรคือเมื่อตอนไปบวช อยู่กับภาษาริบุตรท่านก็แนะนำให้ประพฤติทุดงขวัตแล้วก็สอนสัมมาทํามให้ได้บำเพ็ญอบอรมจิตใจบำเพ็ญคุณงามความดีของตนนั้นได้แค่ปฐมฌานแต่ปฐมฌานนั้นมันยังไม่สามารถต้านฐานกิเลสตัณหาให้ขาดไปได้จึงได้ลาเพศไปเป็นคาเรหัตในวันที่หก อำนาจบุญวาสนาของท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็นผู้มีความเมตตาได้ช่วยเยียวยาสั่งสอนประชาชนทำกิจาศาสนาแทนพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เลงยานทัศนาการดูหมู่คณะสานุสิ์ว่าบวชแล้วยังอยู่ไหนบ้างสึกแล้วไปอยู่ไหนบ้างไปประกอบอาชีพกิจการงานต่างๆอยู่ไหนบ้างและด้วยบา ร, รมี ที่ได้สะสมร่วมกับท่านมาก็ได้ปรากฏแสงสว่างและเห็นลูกศิษย์คนนั้นกำลังถูกทรมานอยู่อย่างสาหัสแล้วเขาก็จะตัดศรีรษะประหารชีวิตในวันพรุ่งนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็พิจารณาเห็นอำนาจบา ร, รมีของเขาที่ได้บมเพ็ญไว้ยังมีเป็นนิสัยอยู่แต่มันเสื่อมไปหมดแม้กระนั้นความดีที่ทาไว้แล้ว มันก็ยังฝังอยู่ในนั้นแหละถึงมีกิเลสหุ้มห่อดวงจิตไว้ความดีก็ยังอยู่เมื่อท่านรู้อย่างนี้ท่านก็ไปบินทบาทเมื่อไปบินทบาทในเวลาตอนเช้านายโจรกำลังนอนอยู่บนเหลาเหล็กและเหลาไม้รั่วพระสารีบุตรก็ผ่านไปใกล้ๆคนก็แตกตื่นบางคนก็ตื่นกันไปดูพระสารีบุตรบางคนก็ตื่นกันไปดู โจรที่ถูกทรมานพอดีแวกช่องให้ลูกศิษย์คนนั้นเห็นพระสารีบุตรเห็นชายจีวรเท่านั้นแหละถ้าสารีบุตรท่านก็แผ่เมตตาจิตด้วยอํานาจเมตตาจิตของท่านนั้นก็กระเทือนถึงเป็นเครื่องดืนยันแต่เข้าไปใกล้ไม่ได้เมื่อลูกศิษย์คนนั้นได้เห็นพระสารีบุตรก็เกิดความดีใจนึกในใจว่าวันพรุ่งนี้ จะต้องลาอาจารย์คือจะต้องถูกประหารชีวิตก่อนที่จะลาอาจารย์นั้นก็นึกถึงการกราบการไหว้การทําสการะบูชาและก็คํานึงถึงคำภาวนาที่อาจารย์สอนให้แก่ก็ได้เจริญฌานทําจิตให้สงบเป็นสมาธิเมื่อทําจิตให้สงบก็ได้ระลึกถึงความตายว่าเอาเราแน่ละไม่ต้องสงสัยเป็นมรณานุสติ แล้วก็ค้นคิดเข้ามาว่าเขาตายกันอยู่ที่ไหนความตายมันอยู่ที่ไหนกันก็ปรากฏว่าความตายมันมาอยู่ที่ปลายจมูกถ้าลมดับเสร็จตายเป็นแน่ถ้าลมหายใจยังอยู่ถึงแม้จะถูกทรมานอย่างแสนสาหัสก็ไม่ตายเมื่อเป็นเช่นนี้ก็บำเพ็ญอนาปามาจำเริญกำหนดลมหายใจ เมื่อจิตเข้าไปจับลมเท่านี้แหละไอ้เจ้าลมก็หยุดโลหิตนั้นก็หยุดไหลทันทีเมื่อโลหิตหยุดไหลเนื้อหนังที่ขาดเป็นช่องมันก็ติดกันหมดเมื่อแผลปิดเช่นนั้นก็เกิดปีติดีอกดีใจว่าเราได้ภาวนากระทาจิตถึงกับประงับทุกขเวทนาได้ถึงขนาดนี้ก็ตั้งใจพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกาย เกษาโลมานขคาดันตาตระโจทวนกลับไปกลับมาในที่สุดส่วนอวัยวะที่ขาดฉีกกลับติดต่อกันได้หมดทีนี้เมื่ออวัยวะเกิดกำลังกล้าก็สามารถนั่งขัดสมาธิบนเหลาเหล็กและเหลาไม้รว่วเมื่อขึ้นไปนั่งสมาธิบนเหลาเหล็กและเหลาไม้ร่วได้เช่นนั้นขัดสมาธิสองชั้น แล้วก็บำเพญญ็ญฌานเจริญฌานที่หนึ่งที่สองที่สามจนถึงที่สี่เมื่อได้ถึงฌานที่สี่ร่างกายนั้นก็เบาเหมือนปุยนุ่นแข็งกว่าเหลาเหล็กแข็งกว่าเหลาไม้รั่วเหลาแหลมนั้นทิ่มแทงกายลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนั้นไม่ได้อีกเลยในที่สุดโจรคนนั้นก็ได้นั่งขัดสมาธิบำเพ็ญอปปนาฌานตั้งอธิษฐานจิตว่า เราจะไปอยู่กับอาจารย์ถ้าเรารอดตัวครั้งนี้แล้วก็บำเพ็ญฌานที่สี่ได้สำเร็จดีมีองค์อยู่สองอย่างคือจิตเป็นเอกคตารมไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหมดสัญญาที่เขาจะฆ่าไม่มีดับไปไหนไม่ทราบวางหมดและเป็นผู้มีสติสว่างสวยัยแล้วก็มองเห็นอาจารย์อาจารย์ไปอยู่ที่ไหน ก็มองเห็นด้วยอํานาจแสงสว่างในที่สุดก็อธิษฐานจิตว่าเราจะไปอยู่กับอาจารย์เมื่ออธิษฐานจิตอย่างนี้ร่างกายก็ลอยหอะไปในอากาศเมื่อหอะไปในอากาศก็ไปหาอาจารย์เมื่อไปอยู่กับอาจารย์ก็ให้คํารับรองปฏิญาณตนว่าจะไม่ทําบาปอกุศลอย่างนี้อีกต่อไปก็ได้บําเพ็ญวิสัยสืบต่อก็รอดตัว แต่ยังไม่สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ขีณาศพรอดตัวแค่การตายในชาตินั้นเพียงเท่านั้นนี่แสดงถึงเรื่องความดีที่ได้บำเพ็ญกันมานั้นแม้เมื่อมันยังไม่เกิดสมใจของเราในขณะนั้นก็ตามก็อย่าประมาทคือความดีนิดๆหน่อยๆนั้นมันเหมือนกับไฟไฟนั้นอย่าไปประมาทเพียงไม่ขีดลูกเดียวเท่านั้น มันสามารถสังหารฝรานบ้านเมืองให้ย่อยยับได้นี่ความดีมันมีอำนาจเหตุนี้พระองค์จึงได้สั่งสอนพวกเราไม่ให้ประมาทความดีที่ได้สร้างมาถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามย่อมมีอำนาจสามารถจะช่วยป้องกันเหตุการณ์ต่างๆผ่อนหนักผ่อนเบาให้ปลอดภัยนี่ประการหนึ่งอีกไงยะหนึ่งเรื่องของคนเรานั้นก็มาก นิสัยคนบางคนนั้นเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้บางชนิดเช่นต้นฟักทองหรือลูกฟักเมื่อเราไปปลูกฝังไว้ยังพื้นแผ่นดินเราก็อยากกินลูกเร็วๆอยากกินผลเร็วๆมันก็หาเป็นอย่างความคิดนึกของเราไม่แต่ถึงอย่างนั้นก็ดีธรรมชาติความดีที่ได้ปลูกสร้างลงไปมันก็ค่อยเจริญขึ้นทีละนิดลนิด เมื่อมันเจริญขึ้นแล้วนานเข้าก็ย่อมออกผลให้เป็นธรรมดาแต่เราไปนั่งสังเกตดูสิว่ามันยาวขึ้นวันหนึ่งนาทีหนึ่งยอดมันยาวขึ้นประมาณสักกี่เซนให้ไปเขียนดูสิเขียนไม่ได้ยอดฟักทองนะ่ะมันงอกออกมาวันหนึ่งได้เท่าไหร่เขียนได้ไหมเล่าเขียนไม่ได้แต่เราเชื่อไหมว่ามันต้องงอกขึ้นทุกวัน ถ้ามันไม่เป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันจะยาวขึ้นได้ยังไงนี่ฉันใดก็ดีความดีของพวกเราเราจะ ส, สร้างได้มากน้อยเพียงไรก็ตามถึงเราจะมองไม่เห็นผลก็ตามแต่มันก็ได้เราบอกไม่ได้ว่าเราดีเท่านั้นเท่านั้นเราก็บอกไม่ได้วันหนึ่งเราได้ทำดีบอกได้แต่ไอความดีที่มันเกิดขึ้นจากการทา มากน้อยเท่าไรบอกไม่ได้ถามว่าได้ผลหรือเปล่าได้สิเหมือนยอดฟักทองแต่เขียนบอกไม่ได้ว่าเกิดมาวันหนึ่งวันหนึ่งได้เท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันเกิดมายาวเท่าไหร่แต่มันยาวออกมาไหมละ่ะตอบว่าต้องยาวชั้นใดก็ดีคุณงามความดีทั้งหมดซึ่งมันเกิดขึ้นไม่เป็นอย่างเราต้องการ ก็อย่าประมาทนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองนั้นนิสัยของผู้ปฏิบัติบางท่านหรือบางจลุ่พวกมันเหมือนต้นกล้วยคือธรรมดาต้นกล้วยนั้นเมื่อเราไปตัดต้นของมันขาดเสียในชั่วเวลาสักชั่วโมงเดียวถ้าเราไปดูจะแลเห็นว่ายอดกล้วยนั้นมันโผล่ออกมาได้ตั้งนิว้วถ้าสองสามวันก็ขึ้นมาตั้งศอกตั้งแขน นั่นเห็นเร็วนี่จาพวกหนึ่งพวกเราก็เหมือนกันบางผู้บางคนการปฏิบัติคุณงามความดีเห็นผลเร็วเกิดโลภผลสามารถหลายค่าหลายทางตัวอย่างสามารถทำฌานของตนให้เกิดขึ้นได้สามารถที่จะชี้แจงอธิบายในข้อธรรมะที่มันเกิดขึ้นกับตนให้คนอื่นฟังได้ชัดเจนนี่บางท่านเป็นอย่างนี้ ในสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันเช่นพระจุลปันถกบำเพ็ญคุณงามความดีมานานแต่เวลามาเจริญกรรมฐานด้วยความเหยียดหยามของบุคคลผู้อื่นปฏิบัติด้วยความแค้นใจเท่านั้นได้ผลเลยคือสมัยครั้งหนึ่งได้อยู่กับหมู่คณะสั้งห้าร้อยองค์วันหนึ่งเศรษฐีมานิมนต์ไปฉันอาหารบิณฑบาตในบ้านส่วนพี่ชาย พระมหาปันโตกนั้นเป็นพัดตุลเทศเมื่อใครมานิมนต์พี่ชายเป็นผู้จัดการที่จะนิมนต์พระไปในพัตกิจในวันนั้นพระมหาปันโตกพี่ชายเห็นว่าพระจุลปันโตกนั้นขี้เกียจบำเพ็ญกรรมฐานก็ได้แต่สับก็ได้แต่สับประงก ม, มีทีน่มิทะครอบงาําจิตใจอย่าเอาไปกินข้าวในบ้านเขาเลยเลยไม่นิมนต์พระจุลปันโตก นิมนต์แต่พระองค์อื่นๆไป499รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปในงานถวายทานของเศรษฐีเมื่อไปถึงบ้านเศรษฐีเศรษฐีก็จัดอาหารถวายพระครบหมดแต่อาหารเหลืออยู่ถาดหนึ่งเศรษฐีก็ถามว่าทำไมพระขาดห้าร้อยพระมหาปัญโกก็บอกว่าพระจุลปัญโกไม่ได้นิมนต์มาทีนี้ เศรษฐีก็ไต่ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าพระจุลปันถกเป็นองค์สําคัญปัดนี้เศรษฐีต้องไปนิมนต์ท่านเป็นองค์สําคัญองค์หนึ่งส่วนทางพระจุลปันถกแค้นใจเขาเหยียดหยามย่ยํายีวันนี้ตั้งอกตั้งใจจะไม่กินข้าวนั่งสมาธิบําเพ็ญฌานบรรลุถึงฌานที่สีจนดวงจิตตั้งแต่เกิดมา ยังไม่เคยเก้าวหน้าถึงขนาดนั้นเมื่อได้ฌานที่สี่แล้วก็เข้าฌานที่ห้าทาจิตสว่างไสวเบิกบานแจ่มใสเกิดกำลังกายเกิดกำลังจิตพอดีคนของเศรษฐีนั้นเข้ามานิมนต์ในตอนนี้พระพุทธเจ้าอยากแสดงให้เศรษฐีเห็นอำนาจไม่บอกวิธีนิมนต์ให้ไปรู้เองเสียก่อนจึงจะค่อยพูด ส่วนทางพระจุลปันทพ ก, ก็อธิษฐานจิตเมื่ออธิษฐานจิตพระเต็มวัดหมดไม่รู้มาจากไหนกันเกลื่อนกลนไปหมดบางองค์ก็นั่งสมาธิบางองค์ก็เดินจงกรมบางองค์ก็ซักจีวรบุ่นวายกันไปทั้งวัดทีนี้คนไปนิมนต์ถามว่าพระจุลปันทพอยู่ที่ไหนท่านก็ชี้มือบอกไปข้างหน้าเมื่ออยู่ทางโน้นไปถามองค์โน้น ก็บอก ต, อต่อไปถามไปจนหมดไม่ใช่จุลปันถกสักองถามไปอง์โน้นก็ชี้ไปทางนี้ถามองค์นี้ก็ชี้ไปทางโน้นให้ยุ่งกันไปจนหมดเวลาฉันอาหารในที่สุดไม่ได้ก็วิ่งกลับไปในบ้านอีกเมื่อเข้าไปในบ้านทิ่ น, นี้พระพุทธเจ้าทราบว่าถ้าจุลปันถกนั้นเป็นองค์แก่กล้าสามารถที่จะแสดงปฏิหาร ให้ปรากฏแก่เขาได้ก็จะได้หายจากการดูถูกเหยียดหยามย่ำยีพระองค์จึงทรงชี้แจงว่าให้ไปนิมนต์ใหม่นิมนต์คือทํำยังไงเมื่อไปนิมนต์แล้วก็ถามท่านว่าองค์ไหนเป็นจุลปันถกเวลาท่านอ้าปากเปิดปากที่จะบอกให้รีบจับคว้าแขนทันทีอย่าให้ท่านบอกได้ทีนี้ก็ได้การนะสิก็ไปที่วัดที่มีพระมาก เต็มหมดทีนี้ก็ไปถามว่าองค์ไหนคือพระจุลปันทุกพอท่านจะชี้บอกก็คว้าแขนจับแขนปั๊บเดียวเท่านั้นแหละพระทั้งหลายหายหมดเหลือพระองค์เดียวที่จับแขนอยู่เท่านั้นทีนี้ก็ได้นิมนต์ไปฉันอาหารบิณฑบาตในบ้านของเศรษฐีแต่นั้นพระจุลปันทุก็เด่นในวงการคณะเป็นผู้สามารถทําการอย่างโลดพ้น ห้ยโหนโยนตัวสามารถตากแดดไม่ต้องร้อนสามารถตากฝนไม่ต้องเปียกทางไกลๆสามารถที่จะไปให้ได้ถึงเร็วมีฤทธิ์มีมปาฏิหารตัวท่านองค์เดียวอยู่ที่นี้สามารถให้ไปปรากฏได้ที่ปราชาปรากฏที่อื่นๆทําได้ด้วยวิธีหลายอย่างพระจุลปันทุก็กลายหายไปจากความแค้นที่หมู่คณะเหยียดยาม เลยเป็นคนเด่นโลดพ้นตั้งแต่นั้นต่อมานี่อํานาจคุณงามความดีนั้นบางท่านก็โลดพ้นเร็วแตกฉานกว้างขวางแก่ด้วยสมถะแก่ด้วยวิปัสนาสามารถที่จะโลดพ้นและก้าวไปสู่พระนิพพานได้ในชาตินั้นนี่เรื่องความดีที่ได้อบรมทำมานั้นเป็นบารมีธรรมทั้งสิน้นฉะนั้นควรที่จะต้องพากันมีความภูมิใจในการกุศลนี้ อีกเครื่องหนึ่งยังมีเทพพญดาองค์หนึ่งแต่ก่อนเป็นผู้หญิงในสมัยครั้งหนึ่งแกไปวัดไปเห็นวันรกในทางจงกรมของพระแกก็ไปเกี่ยวขี้ฝอยในทางจงกรมนั้นเพื่อให้ความสะดวกในการเดินจงกรมของพระครั้งเดียวเท่านั้นแต่แกทำด้วยความรักแกทำด้วยความเชื่อทำด้วยความนับถือทำด้วยความบริสุทธิ์จิต เพราะของที่รกกรุงรังโสกปรกนั้นยังความเศ้าใจให้เกิดขึ้นท่านเห็นเป็นเช่นนี้จึงได้เก็บขี้ฝอยออกจากที่ทางแล้วก็หาน้ําล้างเท้ามาไว้ในที่นั้นเก็บขี้ฝอยขี้เศษต่างๆรกกรุงรังออกหมดแก่ก็รู้สึกว่าใจสบายผ่องแผ้วกลับไปบ้านบังเอิญไปเกิดเป็นลมตายตายจากโลกนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดา มีบริษัทบริวารมีอาหารทิพย์มีปราสาทมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากมายเมื่อไปอยู่ที่นั้นระลึกชาติได้เมื่อระลึกชาติได้อย่างนี้ก็นึกในใจว่าถ้าเราทำบุญมากมากก็จะได้ดีมากกว่านี้จะขอไปทำความดีอีกสักหน่อยเถิดเพื่อให้มันยิ่งกว่าที่ได้รับผลอยู่ขณะนี้แต่ก่อนไม่ยากรู้ว่ามันจะได้รับผลอย่างนี้ ก็ได้ลงมาจากสวรรค์ไปเที่ยวหาพระอยู่ตามป่าตามดงพ่อไปเห็นพระองค์หนึ่งท่านกำลังเข้าสมาธิฝ่ายเทวดาก็มายืนจ้องคอยปฏิบัติอุปถาพระท่านเลยจะเพิดไปเทวดาทำไมไมาแย่งบุญมนุษย์แต่ก่อนนี้มันประมาทเมื่อไปเสวยผลได้รับผลดีแล้วยังจะอยากโลภมากไม่เอาไม่ให้ทําให้มนุษย์เขามาทำ คนที่ยังไม่ได้รับความดีอย่างแกนั้นยังมีอยู่อีกมากไม่ต้องมาแย่งเขาเปิดเลยเทวดานั้นขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ก็ได้ผลแค่นั้นบุญใหม่ควรทำต่อเขาไม่ให้ทำนี่เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคนเราประมาทในบุญเล็กน้อยเมื่อตายไปแล้วจะมาทาบุญกุศลหนะักมันยากนักยากยางไงกายเขาไม่เหมือนกายมนุษย์ จะมาพูดกับมนุษย์ก็ไม่ได้จะมาใส่บาตรทำบุญก็ไม่ได้อย่างดีก็เพียงมายืนคอยอนุโมทนาเท่านั้นถ้าใครตาดีก็เห็นใครตาไม่ดีก็ไม่พบผ่านถ้าใครมีภูมิรู้ในทางจิตก็พอจะแนะนําสั่งสอนกันว่าถ้าไม่มีคนเช่นนั้นเทวดาก็ไม่มีหนทางที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีต่อได้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นจึงอย่าพากันประมาทเมื่อเรามีโอกาสและเวลาคุณงามความดีใดๆในโลกพอจะสามารถและมองเห็นเราก็ควรจะต้องรีบขนขวายพยายามทำความดีนั้นเสียโดยเร็วถ้าความตายเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะไปเอาอะไรไม่มีอะไรสักอย่างอย่างดีที่สุดก็จะได้แต่ห่อเข้าตาของตนที่ทาไว้แล้วนั่นแหละ คือความดีที่เราสำัสร้างมาแต่ก่อนแล้วก็มาระลึกขึ้นความดีนั้นก็จะไปช่วยบำรุงก็จะไปช่วยบำรุงน้ําใจของเราอํานวยผลให้บุคคลผู้นั้นไปในทางสุขคติโลกสวรรค์ถ้าใครได้มีนิสัยได้อบรมในทางจิตหรือในทางสมาธิให้แก่กล้าก็สามารถบําเพ็ญให้ตนพ้นไปจากโลกียวิสัยทําใจของตน ให้ก้าวขึ้นไปสู่โลกุตรธรรมได้นี่ฉะนั้นพวกเราที่ยังไม่เกิดความดีอย่างสมใจนึกก็ดีอย่าประมาทผู้ทำความดีได้ยังไม่สมใจอย่างนึกก็อย่าประมาทก็ควรจะถือว่าสิ่งที่เราทำลงไปนั้นเป็นทรัพย์ของเราทรัพย์ของเรานี้เป็นเครื่องป้องกันชีวิตของเรามิให้ตกไปในฝ่ายต่าแม้อยู่ในโลกนี้เราก็อศาศัยความดี คือธรรมะนี้เป็นผู้บงการชีวิตถ้าเราดับจิตไปจากโรคนี้ความดีก็จะต้องติดตามตนไปเหมือนขับเงาของบุคคลย่อมตามตนไปทุกเมื่อฉะนั้นนี่กล่าวถึงเรื่องความดีซึ่งพวกเราได้พากันมา ส, สร้างคุณงามความดีร่วมใจกันในที่นี้ก็จงพากันถือคติที่ได้เตือนใจมานี้เป็นเครื่องระลึกเป็นธรรมานุสติภาวนากันต่อไป รรมเทเนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรวัดอโศการามเรื่องกิเลสมาร ธรรมดาของในโลกจะมีแต่ชั่วอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีความดีอยู่ด้วยเป็นธรรมดามานที่เป็นเครื่องกีดกั้นก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาจะกันเราถ่ายเดียวบางคราวบางสมัยเขาก็กลายเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายของเราบางคราวบางสมัยก็กลายเป็นบริษัทบริวารของเรา บางคราวบางสมัยก็กลายเป็นธาตุปนปลือเลี้ยงดูช่วยเหลือเราอย่างนี้ก็มีฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงจะต้องเดินอยู่ในกึ่งกลางฝ่ายหนึ่งเพ่งถึงส่วนความไม่ดีฝ่ายที่สองเพ่งถึงความดีความดีและความไม่ดีนี้เป็นความจริงที่จะต้องอยู่ด้วยกันตัวเราเอง ก็จะต้องเป็นผู้ยืนอยู่ในวางกลางเป็นหลักกลางเป็นผู้วินิจฉัยเรื่องราวเหล่านั้นให้เกิดความไม่รังเกียจความดีเป็นเหตุให้เกิดความสนิทเป็นเหตุให้เกิดความคุ้นเคยความสนิทและความคุ้นเคยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นญาติสมกับที่บาทคาถากล่าวไว้ว่าวิสซาซาปรมายาติความคุ้นเคย สนิทสนมกันเป็นญาติอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นต้นศัตรูก็ตามเมื่อสนิทสนมกันนานเข้าก็กลายเป็นเพื่อนกลายเป็นมิตรกลายเป็นคนใช้ก็ได้กลายเป็นทาสก็ได้เมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้มันก็เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ได้สองนัยยะนัยยะหนึ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองนัยยะที่สอง เป็นประโยชน์แก่มารอย่างครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าของเราได้ปลอบและกระทําความคุ้นเคยแก่พญามาราธิราชพญามาราธิราชนั้นก็เชื่อฟังตั้งอยู่ในวาระยินดีในกุศลของพระพุทธเจ้าที่ได้สร้างบาเพ็ญมาต่อจากนั้นพญามารก็หมดอำนาจถวายการสักการะบูชาแล้วก็ได้เคลื่อนคลาด เลื่อนรอยไปอยู่ในชั้นสวรรค์คือเท้าวัศวะดีมานอยู่บนสวรรค์ใช่แต่เสมอเพียงเท่านั้นผลที่จะต้องได้รับพญามานในการข้างหน้านั้นจะมาตรัสเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นี่ได้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พญามารได้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นในพระองค์ด้วย นี้เป็นวิสัยของผู้มีปัญญาทําของเสียให้กลายเป็นของดีขึ้นมาได้ฉะนั้นพวกเราก็ยังอยู่ในกระแสของพยามาณเช่นเดียวกันมานก็ร่ อ, อ ก, ก็ติดเหล่านั้นเรียกว่ากิเลสมานมานคือกิเลสกิเลสที่เป็นตัวใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั้นคือโลภะโทสะโมหะนี่กิเลสตัวใหญ่ ส ต, ตัวนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากตัวที่ย่อยๆไม่ค่อยจะออกหน้าออกตาคือการมตัญหาความอยากมีอยากเป็นดิ้นร น, นขนไกวยพยายามจนเสียความงามของธรรมะอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นกิเลสมารภวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นโน่อนอยากเป็นนี่อันนี้ท่านก็เรียกว่า ตัวกิเลสมารตัวหนึ่งวิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเช่นเราได้ลาบไม่อยากให้เสื่อมลาบเราได้ยศไม่อยากให้ใครมาลบเหลี่ยมของเรานี่เป็นวิภวะตัณหาตัณหาทั้งสามตัวนี้เป็นกิเลสมารไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงโด่งดังเท่าไรนักนานๆเขาจึงจะมาเรียกชื่อสักครั้งหนึ่งแต่ส่วน โลโพโทโซโมโหโนั้นมีอํานาจมากตัวใหญ่มากมีชื่อเสียงโด่งดังมากส่วนแม่ของพญามานได้แก่อวิชชาอวิชชานี้เป็นแม่ของพญามานมันจะต้องถ่ายออกจากอวิชชานั้นทั้งหมดเช่นความดีมันก็ออกจากอวิชชาความชั่วมันก็ออกมาจากอวิชชาถ้าจะกล่าวตามชื่อนั้น อวิชชามันเป็นเหตุแห่งสังขารสังขารที่มันเกิดขึ้นมีอยู่สามชนิดปุญญาพิสังขาร น, นึกคิดปรุงแต่งไตร่ตรองพิจิตพิจารณาหาทางจะสร้างคุณงามความดีของตนให้เกิดขึ้นนี่ท่านเรียกว่าปุญญาพิสังขารอภปุญญาพิสังขาร น, นึกคิดปรุงแต่งเสกสรรในทางที่ไม่ดีไม่ชอบซึ่งเป็นฝ่ายชั่ว ทุจริตทำดวงจิตให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าอะปุญญาพิสังขารที่สามนั้นอเนญชาพิสังขารความคิดเป็นกลางจะเรียกว่าบุญก็ไม่ใช่จะเรียกว่าบาปก็ไม่ใช่เช่นพรุ่งนี้เราจะไปซื้อของในตลาดหรือพรุ่งนี้เราจะไปทนานาหรือเราจะไปอาบน้า เราจะไปกินข้าวความคิดนึกตรึกตรองเกิดขึ้นในดวงจิตอย่างนี้เป็นอนเนชาที่สังขารสังขารยังไม่เป็นบุญสังขารยังไม่เป็นบาปนี่พวกนี้มันก็เป็นกิเลสมารเหมือนกันเป็นพวกลูกของพยามารแต่พวกนี้ไม่ค่อยจะออกจากบ้านมันเป็นลูกเจ้าลูกนายเป็นลูกที่อยู่ในพระราชวังไม่ค่อยจะออกหน้าออกตา คนจึงไม่ค่อยจะรู้จักชื่อเขาไม่ค่อยจะเห็นหน้าเขาบุคคลที่จะเห็นหน้าพวกนางงามเหล่านี้นอกจากผู้มีสมาธิปัญญาไม่มีใครเห็นได้ถ้าเป็นผู้มีสมาธิค่อยแอบจ้องเข้าไปดูมีปัญญาคอยแหวกม่านก็จะเห็นลูกของพยามารอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ ง, งนี่เป็นมารชั้นที่สามชั้นที่สี่ได้แก่ตัวอวิชชา ตัวอวิชชาคือไม่รู้จักจิตของตัวเองไปเข้าใจว่าความคิดเป็นจิตไปเข้าใจว่าความรู้เป็นจิตไปเข้าใจว่าสัญญาอดีตเป็นจิตสัญญาอนาคตเป็นจิตไปเข้าใจว่ากายเป็นจิตจิตเป็นกายไปเข้าใจว่าเวทนาเป็นจิตจิตเป็นเวทนาไปเข้าใจว่าจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิต ไม่เข้าใจว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตไม่สามารถที่จะแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากตนมีความผัวพันติดแน่นนี่ท่านเรียกว่าอาวิชชาสรุปลงมาก็คือติดปัจจุบันสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่ากิเลส ธ, ธรรมกิเลสธรรมนี้มันเป็นมารมันรบกวนเราอยู่ทุกเวลาจึงเรียกว่ากิเลสมาร มันเป็นมารได้อย่างไรคือเมื่อโลภมากๆเข้าทำฐานได้ยากมีแต่อยากได้ไม่มีอยากให้อยากได้อย่างเดียวอยากให้เขาไม่มีเลยนี่มันเป็นมารอย่างนี้ที่นี้เมื่อเราหวงแหนรัดรึงยึดถือไว้มีคนหรือสัตว์มาทำลายสิ่งที่เรายึดถือหรือสิ่งที่เราหวงแหนนั้นเกิดความเสียใจเกิดความน้อยใจ ทำใจวุ่นวายหม่นหมองขึ้นนี่มันเป็นมารได้อย่างนี้ความโกรธก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นมันไม่อยากได้อะไรสักอย่างมองเห็นคนเท่ามดดำมดแดงเท่านั้นนึกว่าเตะทีเดียวคอขาดอํานาจแห่งความโกรธนะมันรุนแรงยิ่งกว่าอื่นใดแต่มันจะเป็นได้อย่างนึกหรือไม่เป็นมันก็กล้าใครจะบอกบุญไม่รับในเวลานั้น ไม่รับบุญกับใครทั้งหมดมันก็จะต้องไปจนหมดฤทธิ์หมดอำนาจของมันฉะนั้นท่านจึงจัดว่ามันเป็นมารไม่สามารถจะสร้างคุณงามความดีให้สมบูรณ์ได้ความหลงก็ยิ่งหนักคือความหลงนี้มันซึมซาบมันเสิบเหมือนกับเลือดที่อยู่ในอูในสรีระร่างกายมันเสิบไปทั่วทุกแห่งของร่างกายความหลงก็เหมือนกันมันเสิบอยู่เสมอ เราจะทำความชั่วมันก็หลงเรามาทำความดีมันก็ยังหลงอยู่ทั้งๆ ท, ที่เรามีความรู้อยู่ในทางธรรมะมันก็ยังไม่พ้นไปจากโมหะมันตามได้ทุกรูปทุกนามนี่ความหลงเมื่อมันหลงที่นี้การทำบุญก็ไม่รู้จักสิ่งใดเป็นบุญเป็นบาปแต่มันก็อยากมันอยากได้บุญแต่ไม่รู้สิ่งผิดสิ่งถูก การรักษาศีลก็อยากดีแต่อะไรเป็นศีลไม่รู้จักเจริญสมาธิภาวนาก็เหมือนกันอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่อะไรมันเป็นสิ่งที่ผิดเป็นมิจฉาสมาธิไม่ทราบอะไรถูกเป็นสัมมาสมาธิไม่ทราบแต่อยากได้ตะบันไปนี่เรียกว่าโมหะคือรู้ไม่ถูกตามความจริงไม่ใช่ไม่รู้รู้เหมือนกัน แต่ไม่ถูกความจริงท่านเรียกว่าโมหะเหมือนกับคนหลงทางคนหลงทางนั่นแหละมันไปได้เหมือนกันแต่มันเดินไม่ถูกทางอย่างเราจะไปกรุงเทพทีนี้เราหลงเราเดินไปทางบางปูนั่นมันไม่ถูกกรุงเทพมันไปถูกบางปูแต่มันก็ไปได้ไม่ใช่ว่าหลงนะมันไปไม่ได้ไปได้แต่มันผิดทางที่เราต้องการ มันผิดหวังที่ความปรารถนาเท่านี้เองนี่ท่านจึงจัดว่าเป็นตัวมารตัวมารชั้นที่สองตันหาตัวตันหาตัวนี้มีอยู่สามชนิดรวมลงมามีอยู่สองลักษณะแปลกันก็คือความอยากความอยากนี้แยกออกเป็นสองนยัยยะอยากชนิดที่หนึ่งอยากที่เจือไปด้วยราคาอย่างธรรมดาของโลกอันนี้ เขาก็เรียกว่าตันหาอยากอีกอย่างหนึ่งไม่มีราคาเกิดความอยากเกิดความพอใจเกิดความรักเกิดความชอบในพัสดุเช่นเรารักในรูปเราก็สแสวงหาในรูปที่เราพอใจของอันใดที่เราพอใจเราก็สแสวงหาคืออยากได้เช่นพัสดุข้าวของที่ปราศจากวิญญาณเครื่องใช้สอยต่างๆที่เราแลเห็นได้ด้วยตา ว่า ง, งามก็ต้องการอันนี้ก็แปลว่าอยากเหมือนกันเสียงอย่างเสียงต่างๆซึ่งเราอยากเราต้องการเราก็ดิ้นรนแสวงหามีความอยากดึงไปจุดไปลากไปจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปถ้าได้มาดีหน่อยถ้าไม่ได้ก็เสียกําลังเกิดทุกข์นี่ท่านจึงเรียกว่าตัณหาอยากได้พัสดุ มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ตนรักตนชอบอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าอยากเหมือนกันแต่ไม่ใช่อยากที่เจือด้วยราคะคือมันอยากเจือด้วยโลภนี่มีอยู่สองนัยยะอย่างนี้เป็นรสของตัณหาซึ่งมันกลั่นออกมาจากกามตัณหากลั่นออกมาจากภวะตัณหากลั่นออกมาจาก วิภาวะตัณหามันมีอยู่ในสองลักษณะอยากที่เจือด้วยราคะอยากที่ปราศจากราคะแต่มันก็อยากนี่มันเป็นกิเลสมารแต่และอย่างแต่และอันนี้มันเป็นสิ่งจีดกันกั้นจิตมีให้จิตของเราโน้มไปสู่สัมมาสมาธิท่านจึงจัดว่าฉันทะมันเป็นตัวนิวรณ์ความพอใจความรักใคร่ ความปรารถนาแต่ไม่มีราคะเจือปนเรียกว่าฉันทะฉันทะตัวหนึ่งเรียกว่าฉันทะราคะมันหนักกว่านิวรณ์ฉันทะนิวรณ์นี้มันเบาฉันทะราคะมันเป็นค่าศึกของศีลฉันทะนิวรณ์มันเป็นค่าศาึกของสมาธิเหตุนี้จึงจัดว่าเป็นมารในข้อนี้เรียกว่ากิเลสมารนนี่เป็นชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่ง ปุญญาพิสังขารคือคิดแต่งบุญแต่งบาปสับสร้างความดีในทางจิตแต่มันก็สําเร็จไม่ได้เมื่อสําเร็จไม่ได้ใจก็เสียอย่างพระยาศีธรรมมาโสกราชซึ่งเป็นผู้มีอํานาจอันยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปมีอํานาจบริหารประเทศชาติบ้านเมืองโดยสองวิธีวิธีหนึ่งท่านเป็นผู้มีปุญญาพินิหาร ปกครองประชาชนด้วยคุณภาพด้วยความเคารพด้วยการเชื่อถือด้วยการบูชาและปกครองด้วยอำนาจอิทธิพลประชาชนจึงราบคาบในทางพระศาสนาท่านก็ได้ช่วยเหลือบำรุงส่งเสริม ส, สร้างความดีสร้างได้จนเกิดโทษคือถวายทานถวายเจตุปัจจัยแก่พระภิกคุสง์มิได้ขาดต่อมาวันหนึ่ง ท่านคิดว่าเราจะเอาเงินเอาทองมาเพื่อไปแลกเปลี่ยนเครื่องไตรยทานมาถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาถวายเป็นสังฆบูชามาดําริคิดนึกติดตรองอยู่อย่างนี้การทําก็ยังไม่เป็นที่พอใจทรัพย์สินเงินทองก็ยังไม่สมปรารถนาพอดีเกิดอาพาธเมื่อเกิดอาพาธขึ้น ก็อยากจะรีบทําบุญเสียให้สมความคิดจึงให้อมาต์ไปเบิกเงินในท้องพระคลังซึ่งเป็นของรัฐบาลแต่มีส่วนของพระองค์ด้วยเรียกว่าพระคลังข้างที่เมื่อไปเบิกขุนคลังเขาก็ไม่ยอมจ่ายคือเขาเห็นว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่จ่ายทรัพย์สินให้แกอ่อมาต์อมาต์ก็ได้มากราบทูลถวายแก่พระญาศรีธรร ม, มาโศกราช พระยาศรีธรรมโศกราชเกิดเสียพระทัยว่าสมบัติของกูเมื่อต้องการเอามาถวายทานให้เป็นพุทธบูชาให้เป็นธรรมบูชาให้เป็นสังฆบูชาก็ไม่สมหวังใจเสียในขณะใจเสียนั่นแหละเลยสวรรคคตคือสิ้นลมหายใจเมื่อตายไปจากโลกนี้ด้วยความคิดไม่พอใจในขุนคลังที่รักษาทรัพย์ด้วยอำนาจจะสร้างความดี ตายแล้วเลยไปเกิดเป็นพญางูเป็นงูเหลือมใหญ่คอยเลื้อยไปเลื้อยมาอยู่ใกล้พระครังทรัพย์สินของพระเจ้าแผ่นดินต้องเฝ้าทรัพย์อยู่เป็นเวลาหลายวันอีกกันกั้นคุณงามความดีของตนความดีที่สร้างไว้นั้นตั้งแต่ยังมีชีวิตได้สร้างความดีไว้ด้วยประการต่างๆสร้างวัดสร้างพระเจดีย์ปลูกต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์อย่างมากมาย ถวายทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์อย่างมากมายรักษาศีลฟังเทศแต่ว่าเวลาแตกดับทำลายขันก็น่าจะไปเกิดเป็นเทพประบุเทพผดาหาเป็นเช่นนั้นไหมกลายไพร่ไปเกิดเป็นงูอันนี้คือความดีเจตนาดีจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตนไม่สมคิดดวงจิตเศร้าหมองกลายไปเกิดเป็นสัตว์เบระฉานเหตุนั้น ปุญญาพิสังขารความคิดนึกหรือความเริ่มริในดวงจิตแม้จะเป็นทางบุญก็ยังกลายเป็นมารได้นี่ตัวอย่างในเรื่องปุญญาพิสังขารกลายเป็นมารของตัวได้ข้อที่สองอปุญญาพิสังขารการคิดนึกเจตนาจะสร้างบาปสร้างกรรมแค่ความนึกแค่ความคิดก็ยังห้ามคุณงามความดีเมื่อบังเกิดขึ้นตรึกในทางบาป เรายังไม่ทําทางกายยังไม่ได้กล่าวทางวาจาแต่มีเจตนาเป็นไปในฝ่ายชั่วแค่นี้ก็ยังเป็นเครื่องห้ามมักห้ามผลตัวอย่างเช่นมีคนสองคนเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งเป็นวันแปดคำ่ำชาวบ้านผู้มีศรัทธาได้ยินเสียงคล้องเสียงะระฆังก็ตื่นขึ้นแต่ดึกจะไปฟังเทศทําบุญใส่บาตรมาดำริในใจอย่างนี้ทีนี้ เพื่อนคนหนึ่งคิดว่าถ้าเราไปทําบุญใส่บาตรกลับมาจากวัดก็จะไม่มีอะไรจะกินทีนี้เราไปทอดแหดีกว่าเพื่อนคนที่ไปทอดแห น, นั้นก็ได้ช่วยหุงข้าวจัดแจงอาหารการบริโภคให้เพื่อนคนหนึ่งไปใส่บาตรไปฟังเทศรับศีลเพื่อนคนที่ไปใส่บาตรฟังเทศรับศีลนั้นเวลาไปนั่งฟังเทศดวงจิตกระหวัดถึงแต่บาปว่า เพื่อนเราไปทอดแหนั้นจะได้ปลามากินไมมหนอตอนเย็นนี้มาคิดอยู่อย่างนี้มานึกอยู่อย่างนี้เลยต้องการอยากได้กินแกงปลาซึ่งเพื่อนไปทอดแหอยู่กลางห้วยกลางหนองใส่บาดอยู่ก็คิดนั่งฟังเทศอยู่ก็นึกแต่ไม่นึกจะไปฆ่าสัตว์ตว์ชีวิตเป็นแต่นึกว่าถ้าเพื่อนได้มาจะได้กินแต่เพื่อนคนที่ไปทอดแหนั้นนะ่ะ แกก็เอาใจไปฝากฝ่ยว่าเพื่อนเราไปใส่บาตรป่านนี้ใส่บาตรหรือยังนอเพื่อนคนที่ไปรับศีลป่านนี้เขาคงจะรับศีลกันแล้วเพื่อนผู้ฟังเทศก็คงจะได้บุญมัวแต่นึกอยู่อย่างนี้แหละด้วยอำนาจแห่งเกจตนารมณ์ที่เป็นกุศลทอดแหไม่ได้สักตัวปลาไม่ติดแหสักตัวพอได้ยินเสียงที่เขาตีคองตีมง เสียงมุยขึ้นครั้งหนึ่งแกก็วางแหสาทุทุกคราวไปจนค่ํามัวแต่ไปงมอยู่ในทางบุญทางกุศลผลที่ทําบาปไม่สําเร็จคนที่ไปทําบุญมัวแต่ไปงมอยู่แต่จะกินปลากับเพื่อนเลยไม่ได้บุญอีกแหละบุญที่ควรเกิดขึ้นเกือบไม่มีเลยไม่สมกับที่ลงทุนไปใส่บาตรไม่คุ้มไม่สมกับที่ลงทุนไปรักษาศีล ไม่คุ้มจิตมันวิบัติไม่สมกับที่ไปฟังเทศนั่งพนมมือไม่คุ้มกันสู้เพื่อนที่ไปทําบาปแต่ไม่มีเจตนาไม่ได้นี่มันจึงกลายเป็นมานมีโทษสองประการประการหนึ่งอยากกินปลาแต่ก็ไม่ได้กินสักคํานี่ก็เป็นโทษประการที่สองเอาของไปใส่บาตรถึงจะได้บุญบ้างก็นิดเดียวใส่ก็สักแต่ว่าใส่ ใจมันก็อยากกินแกงปลาช่อนใหญ่รับศินก็สักแต่ว่ารับแต่ใจมันก็อยากกินแกงปลาฟังเทศก็สักแต่ว่าฟังใจมันก็ยังมุ่งแต่จะกินแกงปลาจากเพื่อนความดีควรได้ควรถึงไม่สำเร็จนี่เขาเรียกว่าคิดชั่วมันเป็นเครื่องตัดรอนความดีของเราแม้เราทำความดีอยู่มันก็ตัดเหมือนตานยอดด้วนถูกตัดยอดต้นกล้วย ที่มันออกลูกหรือมะพร้าวที่เขาตัดยอดมันไม่งอกงามมันไม่เกิดดอกมันไม่ออกผลบุคคลที่มีความคิดไปในทางบาปแม้ทําความดีอยู่ความดีก็ไม่เจริญไม่งอกงามมีแต่ย่อยยับกลับศูนย์ไปทุกทีนี่ท่านเรียกว่าอาปุญญาภิสังขารมันเป็นตัวมารตัวที่สองไม่สามารถจะสร้างความดีให้สําเร็จนี่ จึงเรียกว่าเป็นกิเลสมารประการที่สองประการที่สามนั้นความคิดที่เป็นกลางความคิดที่เป็นกลางนั้นยังไม่เป็นบุญยังไม่เป็นบาปมันก็เป็นมารของเราเช่นเราจะไปทํานาหาเวลาไปวัดก็ไม่ได้มันยังไม่พออยู่พอกินเราจะไปค้าขายรายได้มันจะไม่คุ้มหรือเรามีธุรกิจการสําคัญ จะต้องทำโน้นจะต้องพูดนี้จะไปเที่ยวความคิดนึกตรึกตรองอย่างนี้ก็หมดโอกาสที่เราจะไปสรับสร้างคุณงามความดีมันก็ผัดไปสิทีนี้กินแกงผัดมันผัดยังไงถ้าเป็นเด็กก็ให้มันมีอายุมากเสียก่อนมันยังไม่ได้ตายง่ายให้มีความรู้ความฉลาดพอเสียก่อนถ้าผ้นจากเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ผัดให้เรามีครอบครัวเสียก่อน เมื่อเรามีครอบครัวมีอาชีพดีเราก็จะไปสับสร้างคุณงามความดีถ้ามันเป็นได้เช่นนั้นก็ผัดต่อไปอีกให้ลูกโตเสียก่อนมีครอบมีครัวเสียก่อนให้เราแก่ไปสักหน่อยเราจึงค่อยเข้าวัดมันก็กินแกงผัดเรื่อยไปนี่เขาเรียกว่าหวานหมูละ่ะหมูหวานละ่ะคือพยามาลมันกลืนเข้าไปโดยไม่รู้ตัวในที่สุด ถ้ามันแก่เท่าเข้าจริงๆลูกก็เป็นห่วงห่วงว่าแม่แก่ลําบากอย่าไปเขาหลอกก็เชื่อถ้าไปมันเป็นลมเป็นแรงแล้วก็ลําบากก็เชื่อเขาตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินฟังเทศก็ไม่ได้ยินรับศีลก็ไม่ได้ยินปิดหูปิดตาปิดตันกั้นความดีทุกด้านทุกมุมนี่คนที่ห่วงการห่วงงาน ห่วงหลับห่วงนอนห่วงอยู่ห่วงกินห่วงความามั่งมียากจนไม่สามารถจะบำเพญ็ญกุศลของตนให้ตลอดไปได้จึงจัดว่าความคิดเหล่านี้เป็นสังขารชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงดึงถ่วงตัวเราให้ติดบ่วงติดใย่ฉะนั้นจึงจัดว่าเป็นมารชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากิเลสมารกิเลสมารตัวที่สี่ได้แก่อวิชชา อวิชชาตัวนี้คือเราไม่รู้จักไม่รู้จักมร์กล่าวถึงมรกเสียก่อนเพราะมันเป็นข้อจำเป็นถ้าจะกล่าวพิสดารอาวิชชามีหลายอย่างไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสมุทยัยเหตุแห่งทุกไม่รู้จักนิโรธความดับทุกขไม่รู้จักมร์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกไม่รู้จักอริยสัจทั้งสี่อย่างนี้ก็จัดว่าเป็นอวิชชาอีกข้อหนึ่งไม่รู้จักอดีต สิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่รู้จักเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไม่รู้จักปัจจุบันที่เป็นอยู่เป็นสามเรื่องไปบวกอริยศาสตร์สี่เป็นเจ็ดไม่รู้จักอวิชชาเป็นแปดความไม่รู้เหล่านี้เรียกว่าเป็นอวิชชากล่าวสรุปลงไปอีกไม่รู้จักมรรคการที่ไม่รู้จักมรรคเช่นมาเจริญสติปัฏฐานทั้งสกายานุปัสนา มาพิจารณากายไม่เข้าใจในกายไปเห็นว่ากายเป็นจิตเห็นว่าจิตเป็นกายนี่เป็นอวิชชามันมืดปิดกายปิดจิตให้เกิดความคิดว่ามันเป็นอันเดียวกันไม่สามารถจะแยกกายออกจากจิตไม่สามารถจะแยกจิตออกจากกายนี่ท่านเรียกว่าไม่รู้จักมรรคเวทนานุปัสสนาไม่รู้จักเวทนา เวทนาคือความเสบยอารมณ์ซึ่งเป็นสุขบางขณะซึ่งเป็นทุกข์บางครั้งไปเข้าใจว่าสุขเป็นจิตของตนไปเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความสุขไปเข้าใจว่าทุกข์เป็นตนไปเข้าใจว่าตนเป็นทุกข์ไม่สามารถจะแยกทุกข์สุขออกจากดวงจิตติดพันกันอย่างแน่นแยกไม่ออกบอกไม่ถูกนี่ ท่นเรียกอวิชชาคือไม่รู้จักมรรคจิตตานุปัสสนาไม่รู้จักจิตทีนี้อะไรเป็นจิตจิตมันมีอยู่สองชนิดจิตวิญญาณ น, นี่ตัวหนึ่งจิตที่เป็นตัวจริงนี่อีกตัวหนึ่งไปเข้าใจว่าวิญญาณเป็นจิตไปเข้าใจว่าจิตเป็นวิญญาณวิญญาณ น, นี่มันไปได้อย่างเราเห็นรูปอยู่ในกรุงเทพมันก็แล่นไปได้หมดแต่จิต มันไม่ไปไอการไปนั้นเรียกว่าวิญญาณวิญญาณมันไม่มีตัวโสตวิญญาณบางคราวมันก็จําเสียงได้แต่ก่อนบางคราวมันก็จําเสียงได้แต่ก่อนก็นึกขึ้นเอาจิตไปจ่อในเสียงที่เคยนึกก็รู้เรื่องว่าเขาพูดยังไงไพเราะยังไงก็ทราบนั่นก็เรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูก เมื่อเราถูกกลิ่นยังไงเราก็รู้กลิ่นที่เป็นอดีตล่วงไปนั้นเป็นยังไงจําได้หมดเราก็รู้ว่ากลิ่นอะไรก็ทราบนั่นท่านเรียกว่าคานวิญญาณคือกระแสที่มันแล่นไปกายเยวิญญาณรู้จักอากาศร้อนอากาศเย็นเราจําได้เย็นอย่างนั้นเย็นน้ําเย็นอย่างนั้นเย็นลมร้อนอย่างนี้ร้อนไฟร้อนอย่างนี้ร้อนอากาศ ร้อนอย่างนี้ร้อนแสงแดดจําได้ชัดเจนสามารถที่จะแต่งแบบตําราได้ความรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่ากายวิญญาณมโนวิญญาณก็คือนึกไปนึกไปกรุงเทพนึกไปในป่าในดงนึกไปรอบโลกนั่นท่านเรียกว่ามโนวิญญาณส่วนจิตมันเป็นตัวปัจจุบันไปไม่ได้ตัวจิตตัวรู้มันไปไม่ได้มันประจํา อยู่ในตัวนี่แหละมันอยู่แค่ผิวหนังเท่านั้นเองเลยผิวหนังไปมันก็ไม่รู้แต่รู้ไม่ใช่จิตมันเป็นวิญญาณวิญญาณไม่มีตัวมันไม่มีตัวเหมือนอย่างอากาศมันไม่มีตัวมีตนเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแยกจิตแต่วิญญาณออกจากจิตแยกจิตออกจากวิญญาณจิตเหมือนกับไฟวิญญาณเหมือนกับแสงแสงกับไฟ มันเป็นคนและอย่างแต่มันออกมาจากไฟนี่ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ท่านเรียกอวิชชาเข้าใจว่าจิตวิญญาณเป็นจิตเข้าใจว่าจิตเป็นจิตวิญญาณสับสนปนเปกันอย่างนี้ท่านเรียกว่าตัวอวิชชาธรรมานุปัสสนาคือได้แก่เจตสิกบังเกิดขึ้นในดวงจิตเรียกว่าธรรมะธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใด เป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมส่วนนี้ให้โทษมากน้อยเพียงใดไม่ทราบส่วนใดเป็นกุศลธรรมกุศลธรรมส่วนใดที่ให้คุณน้อยส่วนใดที่ให้คุณพอปานกลางส่วนใดให้คุณอย่างล้นหลามไม่ทราบโอ้ไอ้ความไม่ทราบนี้คือไม่รู้จักธรรมเมื่อไม่รู้จักธรรมก็ไม่สามารถจะแยกชั่วออกจากดี จะแยกดีออกจากชั่วจะแยกจิตออกจากธรรมจะแยกธรรมออกจากจิตติดต ก, กันอย่างแน่นหนาไม่สามารถที่จะแกะออกได้นี่ท่านเรียกอวิชชาอาวิชชามันก็เป็นตัวมารตัวมารที่กีดกันไม่ให้บรรลุคุณงามความดีอันเลิศคือพระนิพพานมารทั้งสามสี่จำพวกนี้ตั้งชื่อว่ากิเลสมารแม่พยามารอาวิชชา ลูกพยามานสังขารหลานพยามานได้แก่ตันหาเหลนพยามานได้แก่ตัวโลภะโทสะโมหะพวกเขาเหล่านี้บางคราวก็ช่วยส่งเสริมเพิ่มพูนสร้างบุญสร้างผุศสนช่วยเราบางคราวก็ขึ้นไปอยู่บนเศียรของเราบังคับบงการทีเดียวเช่นโลภมากช่วยได้หมดเอาหมดจะเป็นของใครไม่ทราบ จะดีจะชั่วประการใดเป็นเอาทีเดียวแหละความโลภมันแรงจัดนี่มันขึ้นบังคับบัญชาให้คนนั้นกระทำความผิดด้วยอํานาจแห่งความโลภความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็บังคับบัญชาเส้นประสาทเราเมื่อมันโกรธหิวถึงขนาดมันก็บงการทันทีฆ่าให้มันตายตัดสินประหารชีวิตมันเลยความหลงก็เช่นเดียวกัน แต่ละอย่างแต่ละอันนี้มันล้วนแต่เป็นค่าศึกศัตรูกีดกันกั้นความดีของเราทีนี้ส่วนที่มักให้คุณก็มีส่วนให้คุณนั้นถ้าคนมีปัญญาความโลภมันก็ช่วยความโกรธมันก็ช่วยความหลงมันก็ช่วยคนมีปัญญาตันหามันก็ช่วยมันช่วยชักจูงดึงดูดให้สั้างสร้างคุณงามความดีประมาทมันไม่ได้ เรามานั่งฟังเทศใครให้มาก็ตันหาสิมันให้มาพระเนนจะมาบวชใครให้มาก็ตันหามันสั่งเราจะไปเห็นแต่โทษมันถ่ายเดียวเป็นบาปเป็นกรรมทีนี้ส่วนความคิดในทางดีถ้าไม่มีเสียเลยมันก็สร้างดีไม่ขึ้นคนจะทําสร้างคุณงามความดีต้องมีเจตนาความคิดขึ้นอวิชชามันก็ดีเมื่อเรารู้จักว่า เรามีอวิชชาก็รีบเร่งหาวิธีการแก้ไขอวิชชาจะพาเราไปในที่สุดอวิชชาจะต้องมาพบเราในที่สุดอวิชชาจะต้องพาเรามาวิชาไม่พาคนไปเรียนหนังสือหรอกอวิชชานั่นแหละพาคนไปหาความรู้คนที่มีความรู้เขาจะไปทำไมเหตุนั้นความหลงมันเป็นเหตุให้เราแสวงหาความรู้เป็นคนแสวงหา ก็เกิดวิชามากขึ้นวิชาเกิดขึ้นจากสังคมวิชาเกิดขึ้นจากสมาคมวิชาเกิดขึ้นจากการครบบุคคลคบคณะคบหมู่มันก็รู้กว้างขวางพิสดารขึ้นก็ด้วยอาศัยอวิชชาเป็นต้นเหตุฉะนั้นกิเลสมารเหล่านี้จึงควรที่จะเห็นโทษเห็นคุณถ้าเห็นได้สองหน้าอย่างนี้จึงจะเป็นผู้เรียกว่าเป็นนักปราชญ์และบัณฑิต ทำสิ่งไม่ดีให้เป็นของดีได้เลิศนักคนเราทำของดีให้เลวหนักไม่ดีหรือทำของดีให้มันดีก็ยังไม่ดีคนที่ดีคนที่เลิศคนที่เด่นมีอยู่สามลักษณะคนดีทำความดีนี่เรียกว่าคนดีคนเลิศทำความดีให้มันยิ่งนั่นเขาเรียกว่าคนเลิศรวมแล้วก็แปลว่าดีเลิศแต่ไม่เด่น คนเด่นทำของไม่ดีให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำของดีให้มันเลิศเข้าเรียกว่าคนเด่นจึงรวมเรียกว่าความดีความดีเลิศความดีเด่นนี่มันมีลักษณะอย่างนี้นี่เรื่องกิเลสมารที่ต่อเนื่องมาจากขันธมารพวกเราควรสำรวจควรไตร่ตรองควรพินิจควรคิดควร น, นึกเรา ก็จะเป็นคนหาความดีได้ทุกด้านทุกมุมมองไปเบื้องต่ําเราก็เห็นทรัพย์มองขึ้นข้างบนเราก็เห็นทรัพย์มองไปในเบื้องต่ําความหมายว่าเพ่งไปในด้านศัตรูเราก็ได้ทรัพย์คือความดีเด่นมองไปในด้านความดีที่เป็นเพื่อนฝูงมิตรสหายของเราเราก็ดีดีเลิศให้มันได้ทั้งสามดีสามดีนี่แหละผู้มีปัญญาสามารถจะเก็บเอาได้ จากขันธมารนจากกิเลสมารนจะได้ผลสามประการดังกล่าวนี้ฉะนั้นควรจะต้องอบรมบ่มอินทรีย์ของตนให้มันแก่กล้าให้มีความสามารถไม่กลัวต่อมารนคนมีวิชางูจับงูมาได้ไม่กลัวพิษงูคนมีวิชาเอาเสือมาได้มันก็ไม่กัดชั้นใดก็ดีคนมีปัญญาเอากิเลสมารนี่แหละ มาเป็นเครื่องค้ำจุนหนุนใจของตนให้เด่นก็จะได้ต่อมัต่อผลคนใดไม่มีปัญญาไม่สามารถพยามาณก็จะต้องฉุดลากไปฆ่าไปทรมานให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากฉะนั้นพวกเราก็ควรจะพากันนึกคิดพิจารณาด้วยปัญญาปรีชาฉลาดตักแหลมของตนจึงจะเป็นไปเพื่อมักเพื่อผลนี่แสดงถึงเรื่องกิเลสมาร ต่อมาจากขันธมานยังมีอยู่อีกสามจำพวกจะได้แสดงในการต่อต่อไปในโอกาสหน้าฉะนั้นเมื่อพวกเราพุทธบริษัทมาได้ยินได้ฟังก็จงพากันสนใจสำเนียกน้อมนึกตรึกตรองมองเข้าไปถึงสภาพของตนแล้วปฏิบัติตามบำเพ็ญให้ถูกต้องตามสัมมาปฏิบัติก็จะเป็นผู้สบายคนชั่วก็มาช่วยเราคนดี ก็มาช่วยเราหมดภัยโจรก็เป็นคนใช้คนสอยมาช่วยกิจช่วยการช่วยงานต่างๆนักปราดบัณฑิตก็มาช่วยงานช่วยการเราจะมีความตกต่ำได้ที่ไหนหันไปหาคนฝ่ายต่ำเขาก็มาช่วยหันไปหาคนฝ่ายดีเขาก็มาช่วยเพ่งไปในฝ่ายมารที่เป็นศัตรูกลับเป็นพวกเพื่อนมิตรสหายกลายเป็นพวกสนิทสนม อะไรเป็นมารก็ไม่ทราบละทีนี้มันก็ไม่เป็นมารอะไรสักอย่างเป็นของกลางอยู่ในโลกทั้งหมดคนนึกได้อย่างนั้นก็จะหมดจากความทุกข์ความขัดข้องจะมีตั้งแต่ความสว่างสวยเบิกบานดำเนินตนสะดวกไม่มีขัดจะถอยหน้าก็ไม่ติดถอยหลังก็ไม่ติดเดินหน้าก็ไม่ขล้องไปได้เหมือนกับเรือนี่จึงเรียกว่าสุขโตเป็นผู้ไปดี ฉะนั้นพวกเราผู้ส ร, สร้างบารมีธรรมจึงสมควรที่จะต้องปฏิบัติตัวได้อย่างนั้นนี่แสดงมาในกิเลสมาละกะถาแต่บทเดียวก็จะยุติลงเสมอเพียงเท่านี้